เอาเดี๋ยวพูดถึงในเรื่องของการเสด็จบำเพ็ญพุทธกิจในแคว้น ม, มคตดีไหมพูดในเรื่องของพระเจ้าเสด็จบำเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคตอาจจะพูดไม่หมดแต่จะหยิบประเด็นในเรื่องที่สําคัญสําคัญมาสนทนากันให้เราได้รู้ความเป็นไปในพุทธศาสนาในแคว้น ม, มคตคือในยุคนั้นก็คือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ย ปกครองแานมคตเป็นพระราชาทําไมจึงเรียกว่าพิมพ์พิสานด้วยเขแปลว่าพระราชาผู้มีผิวพันธ์นดังทองคําั่นเป็นองค์จอมทัพของแานมคตพระเจ้าพิมพ์พิสารนี่มีพระมหเศสีสองพระองค์ก็คือพระนางเวเทหิเป็นราชธิดา ข, ของพระราชวงศ์โกศลเป็นน้องสาวของพระเจ้าเประเดนที่โกศล พระนางเวเทหิซึ่งเป็นแม่ของเป็นพระมารดาของพระเจ้าชาติสตรูใช่ไหมนั้นนางหนึ่งและพระนางเวเทหินี่แหละและอีกพระนางเขมาเป็นราชิดาของพระเจ้ามัทราชแควนมัธะนอกจากนี้นางศรีมาเป็นน้องสาวมอชีวก ก็กล่าวว่าตนเองก็เป็นปริจาริกาเป็นนางบำเรอด้วยสังขีตะของพระเจ้าพิมพิสารด้ยสรุแล้วน่าจะไม่ใช่สองแล้วนางสิริมาด้วยน้องสาวของหมอชิวกนางสิริมานิงามมากอันนี้ก็เคยเป็นนางบาเรอของพระเจ้าพิมพิสารเป็น เป็นนางที่เป็นนางงามจักรวาลใช่ใช่ใช่่งามอหน่งแล้วแล้วนั่นคือนางเวเทหิเนี่ยเป็นพระมหสาเศริฐีโกศน ต่อมาที่ว่าตั้งคันที่ว่าพระเจ้าชาศตศัตรูมาเกิดในคันนั่นแหละต่อมาหมอชี ว, วกเออไม่ใช่หมอก็ทานายกันว่าท่านเกิดมาจะทำปีดูคาดต่อมานางก็เลยทำการที่จะให้ให้แท้งโดยการนั่งบนหลังม้าแล้วก็ออไปชมสวนชมอะไรก็แกล้งตกพลัดตกจากหลังม้าเอาท้องกระแทกที่ก้อนหิน ใช่เปอร์เซนต์ดีเขาเขาก็เชื่อมสัมพันธไมตรีกันอย่างนี้แหละแต่ก่อนก็คือเพื่อต้องการไม่ให้ลบกันเลยนะ <c oughs> แก่ละเมืองอ้าวแต่นี้ในรายละเอียดตรงนี้ก็จะได้รู้ความเป็นมาพอสมควรทีนี้ว่าพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยปโปรดพระเจ้าพิมพิสารและชาวมคตเนี่ยหลังจากตัดสู้แล้วประมาณ 8-9 ดถึงเเดือนนะประมาณนั้น ยังไม่ถึงปีเลยมเพราะตัดสรูปเสร็จแล้วเนี่ยแปเดือนก็ไปที่แคว้นมคตเลยเพราะทําตามพันธสัญญาที่พระเจ้าพิมพิสารเคยบอกไว้ตอนนั้นพระเจ้าบําเพนทุกขารกริยาก็มานี่แหละในเขต เ, เมืองในแคว้นมคตนี่แหละที่ตําบลอุลุเวลา เ, ลาเสนานิคมใช่ไหมแล้วเจอพระเจ้าพิมิสารพระเจ้าพิมพิสารชวนนิสสุกออกมาของเมืองแบ่งกันคนละครึ่งนั่นแหละพระเจ้าเราปราถนาสแสวงหาโลกธรรม ท่านก็เลยบอกว่าถ้าท่านได้โมกะธรรมแล้วเนี่ยได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเป็นสัมมาสัมพธิยาแล้วให้มาโปรดด้วยเนี่ยคือถามว่าเป็นคนฉลาดไหมพระเยริมสารนะใา่ฉะนั้นพระพเจ้าก็เลยในการมาโปรดในแฝนมาคตที่มาก็คือมาโปรดชะดินสามพี่น้องนี่แหละพร้อมเดบิวเดวาหนึ่งพัน ที่ตำบลขยาศิษะแควน้นกาศีทั้งหมดเป็นบวชเป็นภิกษุแล้วก็ต่อมาที่พระเจ้าแสดงธรรมเสร็จก็ได้บรรลุได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมก็ในแควน้นนี้แหละพระเจ้าพิมพิสารได้ทราบข่าวก็เสด็จมาว่าพระสมณคดมสากยาบุตรเนี่ยเสด็จมาพร้อมด้วยพรามชาวแคว้นมาโคตนี่12บหุดหนึ่งหนหก็หนึ่ง สินหน้าหดก็แสนสองหมื่นเนี่ยคนที่มาโดยมากก็เป็นลูกศิษย์ของอุรุเวลากระสอบถึงนั่นเลยมาฟังธรรมในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมนี่แหละ เ, เมื่อพวกเขาเห็นอุรุเวลากัะสปานั่งใกล้ๆพุทธเจ้าก็พากันสงสัยใช่ไหมตอนนั้นน่ยใครเนาประพฤติพรหมจันทร์ในใครกันแน่ก็คือใครเป็นอาจารย์ใครเป็นลูกศิษย์เพราะฉะ น, นั้นพระทเจ้าก็เสด็จประทับอยู่ อุโรยละกับศพก็เป็นนักบวชไปหมดแล้วพร้อมด้วยบริวารหน 1, ึ่พบรรดาพวกที่มาก็พากันตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะใครเป็นอาจารย์ใครเป็นลูกศิษย์ทีนี้พระพุทธเจ้าทราบแล้วก็ตรัสถามอุโรยละกะบับศพท่านผู้อยู่ในตําบลอุรุเวลามานาบอกเคยเป็นอาจารย์สอนหมู่ชะดินผู้ภายผอมพ่อบําเพ็ญพอดท่านกนสปาเหตุไรทําไมท่านยังเลิกบูชาไป อุรเวลักกัดศพก็ตอบทูลพระพุทธเจ้าว่ายันทั้งหลายกล่าวการยกย่องรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าปราถนาและก็ยกย่องสตรีทั้งหลายเชื่อกันว่าการบวงสรวงด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นการบูชาที่ยอดเยี่ยมข้าพระุทธเจ้ารู้แล้วว่านั่นเป็นมนทินในอุปธิทั้งหลายเป็นอุมนทินของกิเลสเพราะเหตุนั้นจึงไม่ยินดีที่จะเส้นสวงบูชาดังนี้เป็นต้นจากนั้นอุรุเวลักกัดศพก็ลุกขึ้น เอาผ้าห่มเฉียงบ่าซบสศีรษะลงที่ใต้พายุคนบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศว่าพระผู้มีพภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ประกาศตน ต, อนต่อหน้าพุทธบริษัทนั่นเลยแล้วก็เหาะขึ้นไปเจดชั่วลำตาลแล้วก็ลงมาใช้หน้าของตัวเองซบพระบาทของพระพุทธเจ้าทําอย่างนั้นเจ็ดครั้งนี่เป็นการประกาศ แล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงทานศีลสวรรค์โทษของการและอนิสงค์ของการออกจากการรมแล้วก็จบลงด้วยสามุกังสิกาธรรมเทศนาจบลงด้วยอริยรรสัจสีพอแสดงธรรมเสร็จปุ๊บสิบชาวมาคธสิบสอสิบเอ็ดหนหุดได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแสนหนึ่งมืนไม่มีเรา หนึ่งแสนกัาอีกหนึ่งหมื่ น, นบรรลุแต่ไม่มีเราเคยแปกใจไหมอาแปลกใจไม่แปกใจอาแปลกใจแม้งแปกใจไหมว่าทำไมไม่มีเราอยู่ในกลุ่มนั้นแปกใจว่าเออฐานจริงนะเนี่ยแปลกใจไม่แปลกใจอ่ะคนบรรลุ ก, กันสิบ เออหมืน่นเออแสนหนึ่งมืน่นอีกหนึ่งมื่นประกาศตนเป็นเข้าถึงสน า, นาคมตลอดชีวิตแต่ทำไมไม่มีเราอยู่ตรงนั้นอา้าวสงสัยข้อนี้ไหมใครสงสัยนายนสงสยัยไหมเพราะอะไรสงสยัยไหมนินยอมรัดาสงสยัยไหม ย้อสงสัยไหมสงสัยยังไงจริง สมมติถ้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นคิดว่าจะบรรลุไหมเอาถามยีทุกคคิดว่าคิดว่าจะบรรลุหรือพังทำมากกว่าจะเข้าใจยากขนาดนะี <c> ้ <oughs> <c oughs> ยักไม่เงินรู้ทลองเีฟังตอนนี้ฟังธรรมะแล้วมันแบบๆบ่เบลบอันนี้ขนาดขนาดแสดงแบบง่ายสุดๆเลยเนี่ยจะเจอแบบแสดงแบบหรือคิดว่าพระเจ้านี่ขุดเราจนขึ้นเลยเจ๊ไหมอ้าวลองตั้งใจดูอ่ะเดี๋ยวลองจะเทศเป็นภาษาบาลีบ้าง อยจะว่าตาพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะไม่ที่บายเสริมเลยจะพุทธพจน์มาสาธยายแต่ต้นจะจบเลยอะมันจะแวฟไมอ่ะเราสั่งสมมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วใช่ไหมก่อนหน้านั้นเน่ยเราก็ต้องเคยเจอ้าสมมติแล้วเราก็เราฟังตอนนั้นไม่ทันจะดูบแล้วก็ มีคนหนึ่งก็บอกมีคนหนึ่งก็บอกว่าเขาไม่สงสัยหรอกว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ไดบรรลุถึงก็อยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่ได้บรรลุหรอกเขาก็ไม่รู้เรื่อง <c oughs> เขาก็ฟังคงไม่รู้เรื่องแน่ๆก็นี่แหละจะได้รู้ว่าบางทีอินทรีย์เรามันอ่อนทุกตัวเนาะอ่อนทุกตัวตั้งแต่ศรัทธาก็อ่อนจนถึงข้อสุดท้ายกับปัญญาอ่อน <c oughs> <c oughs> อ้าวแนี้มาดูรายละเอียดเนี่ยสามกังสกะธรรมเทศนาแปลว่าอะไรดี๋ยวนี้อันนี้ขนาดสามอันนี้พูดเป็นภาษาที่พระเจ้าแสดงนะเนี่ยอริยสัจสีนั่นเองนี่ยังไม่เข้าใจเลยโอ้พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกขังอริยสัจจังชาที่ปิดทุกขาชะลาปิดทุกขาท่องเฉยไม่เข้าใจเลย ยายังตันหาโปโนภู้การนันทิราคสากตาตัตระตัตราพิณันตีเสยยะทิทางกรรมตันหาบวตันหาวิปวตันหาเฉยอีไม่รู้เรื่องอีกทุกข์นิโรทว่าต่อเฉยอีกแต่ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาสมาธิถิจนถึงสมาสมาธิเงียบไม่แปลกใจเลยที่ไม่ได้บรรลุแต่ถ้าบรรลุนี่จะแปลกใจมาก ข้อมูลแคนี้บรโลนี่โอ้โหฉันคงจะช้มใจมากเลยพวกเรามรูลได้ยังไงใช่ไหมคือแซงหน้าได้ยังไงเข้าใจไจริงเลย้าสมมติว่าพวกเราบารรลุปุ๊บขึ้นไปเลยเดือฉันคนเดียวเนี่ยฉันจะนึกโอ้โหอะไรวะนุนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถคันนี้โดกเรงเรงมันแซงค้งได้ใช่ไหจะเอใจมากเลย สมควรไหมที่ไม่บรรลุสรุปเรายอมรับเลยนะนพร ะ, พระเจ้าพิมพิส า, า, า, า, า, ารเนี่ยทูลความปรารถนาหาประการหนึ่งปรารถนาได้อภิเศกในราชสมบัติได้ไหมท่านก็ได้ไหมก่อนหน้าเป็นราชกุมารอาภิเศกเป็นพระราชาสอง ขอให้พระอรหันต์ได้สัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอยู่แฟนของเขาของเราก็ได้อย่างยิงสาขอให้เราได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสขอให้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเกศเราห้าขอให้เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงท่านเลยได้ตรง น, นั้นท่านตั้งปาฏารถนานี่เราก็รู้แล้วว่าทําไมเราจรึงได้ไม่ได้บรรลุเพราะเราไม่ได้ตั้งอะไรไม่ได้ตั้งปาฏิาริย์ไว้ท่า น, นตั้งกันหรือยัง ต่างวง่นไหนต้องต่างว้โดยเฉพาะขอให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามามาที่แควน้นมาที่อยู่ของเราตอนนี้หมา ย, ยังพุทธิยามา ย, ยังมาในฐานะเองพระธรรมและขอให้ข้าพระเจ้าได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอให้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นท่านปรารถนาแบบนี้ท่านจึงได้ฐานะนั้นชะรอยว่าพวกเราทั้งหลายคงไม่ได้ตั้งจิตปรารถนาไว้มองเห็นนี่ยังว่าเรามีจุดบกพร่องตรงนี้แหละต่อมาเมื่อจบแล้วพร ะ, พระองค์ก็ประกาศตนเป็นอุบาสกกราบทูลนิ ม, มนให้เสด็จรับพัฒน์ในพระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้นเลยเนี่ย ชัดไหมยังดูปฏิปทาของท่านดูเนี่ยต่อมาก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในพระราชนิเวศของพระราชาพร้อมด้วยภิกษุเนี่ยะดินนั่นแหละหนึ่งพันรูปตอนนั้นเท้าส ก, กาเนี่ยแปลงเป็นมนพเสด็จขับเพลงนำหน้าพลนาคุณของพระพุทธเจ้าว่เพราพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีผิวพันธ์เหมือนกับลิ่มทอง ที่ชื่อว่าสิงคีเนี่ยทรงฝึกอินทรีย์สงบแล้วทรงพ้นวิเศษก็คือพ้นจากกิเลสคือราคาเป็นต้นสเสด็จเข้าสู่นครราชครื้พร้อมด้วยภิกษุ2ผู้เคยเป็นชดินผู้ฝึกอินทรีย์แล้วพ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีอริยะวาสธรรม10ประการนีก็คือละนิวรณ์เป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ประกอบด้วยองค์ห มีพระทศพลยานสิบรู้แจ้งธรรมาารรรมาสิปการถึงธรรมมาสิปการทรงเป็นภิกษุเป็นบริวารหนึ่พันเสด็จสู่กรุงราชคฤห์พละนาแบบเนี้นะชาวราชคฤห์เห็นมาน็ปแปลงแล้วก็กล่าวชมว่าพระหนุ่มคนนี้รูปงามยิ่งนอองัน้นนะแท้จริงคนที่พละนาขับกล่อมนั้นกลายเป็นเท้าสากา่านี่แหละเท้าสากาก็ตอบบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นนักปราดปึองอินทรีย์ทั้งปวงแล้ว ทรงผ่องแผ้วหาบุคคลเปรียบไม่ได้ทรงไกลจากกิเลสเสด็จดีข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็คือประกาศตนเองเป็นคนรับใช้เลยเนี่ยเพอพระพุทธเจ้าเสวยพัตนาหันเสร็จปุ๊บพระราชาก็ดำลิดถึงสถานที่ที่จะประทับของพระพุทธเจ้าก็เลยนึกถึงอุทยานเวรวรรวันป่าภัยที่เป็นของราชสํานักเห็นว่ามีลักษณะเนี่ยสประการนะหนึ่ง ไม่ไกลจากหมู่บ้านและไม่ใกล้หมู่บ้านเกินไปในที่ที่จะเป็นวัดเนี่ยนะไม่ไกลและไม่ไกลเกินไปสองคมนาคมสะดวกประชาชนเข้าเฝ้าได้ง่ายไม่ลำบากประการที่สก็คือกลางวันไม่พุกพล่านกลางคืนก็เงียบสงบไม่มีเสียงอะไรกึกก้องและปราศจากการสัญจรไปมาและเหมาะแก่ผู้ต้องการความสงบประการที่4เหมาะเป็นที่หลีกเล้นตามสมณวิสัย พอคิดพิจารณาทั้งเหตุการณ์ก็คืออารัมรมณียสถานนี่แหละก็เลยตัดสินว่าไทยถวายอุทยานนั้นแ่ะแก่ภิกษุสองมีพระเจ้าเป็นประธานทูลให้พระบรมศาสดาทราบก็จับพระสุวรรณพิงคารู้จักคำว่าสุวรรณพิงคาไหมจับพระสุวรรณพิงคาคืออะไรไเขาเรียกน้ำเต้าเออนั่นแหละ หลังน้ําน้อมถวายด้วยพระราช ด, ดำํำรัสว่าหม่อมฉันขอถวายอุทยานเวรุวันแก่ภิกษุสองมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้ารับอารามแล้วตรัสทําให้พระราชาเห็นแจ้งสมาทานอาจฐานล่าเริงแล้วก็เสด็จกลับเข้าไปยังเวรุวันเนีไปไปที่เวรุวันนั่นเลยต่อมาพระพุทธเจ้าก็อนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายบอกเล่าอนุญาตอารามนีอารามอารา ม, อารามในที่นี้ก็คือสวนไผ่ไปที่หน้าเรื่นลม ต่อมาก็ทรงอนุญาตให้ราชเกื้อหาเศรษฐีสร้างอะไรสร้างที่พักหรืออาคารนั่นนะ่ะที่ใช้สอยในสวนไผ่เรียกว่าเวรุวันวิหารยานั้นเรียกว่าเวรุวันมหาวิหารหรือเวรุวันการันตกานิวาปะก็ได้นะอาถรรา ก, ากลีกสวนไม้เนะี่ยล้อมไปด้วยไม้ไผ่ทั้งมีสีเขียวหน้าเรื่นลมประกอบไปด้วยซุ้มประตูแล้วก็ป้อมกำแพงสูง18ศอกแสดงว่าสวยจริงๆนะ จึงเรียกว่าเอรุวันส่วนนั้นมีชนทั้งหลายให้เหยื่อกระแตจึงเรียกว่าการันทกะรนิวาปะกระแะกระแตเนี่ยเรียกว่าการันทกะนิวาปะศัพท์นั้นก็แปลว่าเหยื่อเนะหยื่อหรืออาหารของกระแตเล่ากันว่าเคยมีพระราชาเนี่ยองหนึ่งเสด็จมาประพาสอุทยานเนี่ยเมาเมาสุราแล้วก็บรรทมหลับกลางวันเนี่ยนะบริวารแอบไปเที่ยวเล่น ดูดอกไม้ผลไม้งูเหา่าได้กลิ่นสุลาก็เลื้อยมาลู ก, กเทวดาเห็นแล้วก็เลยแปลงเป็นกระแตมาร้องบอกให้พระราชาตื่นร้องท้องหูเนี่ยพระราชาตื่นบางของเห็นงูเลื้อยมาคิดว่ากระแตเนี่ยมาช่วยชีวิตก็เลยบอกว่าตั้งแต่นี้ไปให้คนจัดอาหารมให้กระแตแล้วเคยประกาศห้ามการล่ากระแตตั้งแต่นั้นลก็เลยเป็นว่าเวรุวันกรันตกานิวาป่าสถาน เป็นป่าไผ่ที่ให้อาหารแก่กระแตรเขาให่ๆๆยังเนี่ยตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมไม่สงสัยนะยอาเล่าต่อทีนี้ในเรื่องนี้ตอนที่พูดถึงตอนที่พบนะในเรื่องที่กำหนดพิจารณาในตอนนี้ก็คือในเรื่องของพระโพธิสัตว์ ในเรื่องของพระโุทธศาสนาเนี้ยที่บอกว่าพระองค์ยังหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยบริบูรณ์ด้วยความเฟื่องฟูและวันนะเหมือนกษัตริย์ผู้มีพระชาติยังหมู่พลให้งามอยู่ผู้อันอยู่ประเสริฐแวดล้อมอยู่หม่อมชั้นจะให้โภคาสมบัติและอันเชิญพระองค์บริโภคโภคสมบัตินี่ในใ น, ในสุตตานิบาตเนี่ยนะตักถาเขาขยายบอกว่าท่านให้โภคาสมบัติในแคว้นอังคาและก็แคว้นมคดแก่พระองค์ตาม ต, ามต้องการ พระ อ, องค์จงยังหมู่ชนให้งดงามแวดล้อมด้วยหมู่ผู้เบอร์เสดบริโภคสมบัติเถิดว่างั้นเนองพระโพธิสัตว์ปฏิเสธสมบัตินั้นเน่ยแล้วตัดว่าใจความมายินดีในความเพียรเป็นต้นก็เลยบอกว่าไม่เอาท่านได้เล่าการที่พระโพธิสัตว์เคยมาเป็นบารมีที่ตรงนี้ด้วยทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยในติโลกุตสูตรเคยได้ยินฟังมาไหมคือเรื่องเปรต ที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเคยได้ยินไหมเนี่ยพระเจ้าก็ตรัสตรงเนี้คืออดีตการในพระเจ้าพิมพิสารเคยเป็นเจ้าพนักงานเก็บสวยในชนบททีนี้พระราชโอรสของสามพระองค์เนี่ยของกรุงกาสีตอนนั้นก็นิมนต์พระปุทตะหรือผุทสะองค์เดียวกันนี่แหละสมาสมพุทธเจ้าบําเพ็ญมามามาจำพรรษา ก็เลยพระราชกุมารทั้งสามพระองค์ก็ถวายอาหารอุปถากบำบงพระบระมศาสดาพร้อมด้วยบุรุษก็คอยช่วยเหลือตอนนั้นก็มีคนคอยช่วยเหลือประมาณ 1,500 คนพนักงานเก็บสวยครอบครองก็ก็นำชาวชนบทเนี่ยมื0นหนึ่งพันจัดอาหารถวายภิกษุสงฆ์ทีนี้มันก็มีคนสองกลุ่ม กลุ่มนึงก็เอาอาหารถวายกลุ่มได้บุญก็มีกลุ่มได้บาปก็มีสองกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มก็เลยรักอาหารของสงฆ์ให้ลูกหลานบ้างให้ตวเองกินบ้างทําไปลงทานเนี่ยนะคนที่พากันเจริญกุศลทําถูกต้องก็ไปเกิดในสวรรค์พอถึงสมัยพระกัปสปะสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลเหล่านั้นน่ย ไปตกนรกกันก็เยอะอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ทําผิดจากการรักของสงฆ์เนี่ยไปตกนรกหลุดจากอัตภาพของสัตว์นรกก็มาเกิดเป็นเปรตในสมัยพระกสป่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรตเหล่านั้นก็เลยไปเฝ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่แหละเห็นพวกมนุษย์มาให้ทานแล้วเนี่ยตนเองก็มาบอกโอ้ยขอให้ข้าพเจ้าได้กินด้วย เขาก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ญาตินะแต่เปรตเหล่านี้ไม่ได้เปรตเหล่านี้ไม่ได้เปรตเหล่านี้ก็เลยไปเฝ้าพระเจ้าว่าทําอย่างไรพวกข้าพระเจ้าจึงจะได้สมบัติอย่างนั้นบ้างพระพเจ้าก็บอกว่าในอนาคตต่อจากนี้ไปเนี่ยเกลาบองกับกกับหนึ่งนับยังไงจะอนาคตนะจากนี้ไปเก้กับกัสปะกูสันทโกูนาคามานะกัสปะและพระุธเจ้า 92กลับจากนี้ไปเนี่ยกับหนึ่งถ้าวัดนับเขานับอย่างนี้ขุดลงไปเนี่ยสิบหกกิโลลึกเนี่ยกว้าง16กกิโลร้อยปีเอางาหย่อนลงไปเม็ดร้รอยปีก็างาหย่อนไปเม็ดหนึงจนงาเน้นเต็มหลุมนั้ น, น, นเนี่ยได้1กล่งกับนับอย่างเงี้ยเก้าสิบสอับ เดยจะมีพระเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นญาติของท่านจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารถ้าเถอจะถวายทานอุทิศใหก้กับพวกท่านพวกท่านจะพ้นจากอัตภาพจากความเป็นเปรตพอพระเจ้าเนี่ยเปรตเหล่านั้นพอฟังเหล่านั้นก็ดีใจเดี๋ยวเราคงพ้นโอ้โห เราคิดว่าอัตภาพถัดไปนี่เราจะรอดไหมเนี่ยอันนี้วัดกันแล้วเนี่ยนี่ว่าใครจะเอาตัวรอดที่ไปถึงพระเจ้าองค์ต่อไปพอไปถึงพระเจ้าองค์ต่อไปนะถ้าเราได้มีบุญกุศลทั้งหลายอะไนี่ระลึกชาติได้แล้วจะขนหัวลุกกันเลยนะโอ้ยจาได้แล้วคันก่อนยังได้ไปนั่งฟังธรรมอยู่ที่สารานี้อยู่เลยเนี่ยเ <c oughs> มือม่อเมื่อเก้าสิบกกระปับนี่นเนี่ยบอกกัน แล้วเรายัางปารบเรื่องนี้กันอยู่ว่างั้นเอาแล้วหายไปไหนเนี่ยสองสองทำไมไม่มาแล้วเา่าคิดว่าใครจะหาย <c oughs> <c oughs> เอ้ยใครจะหาย <c oughs> ใครมั่นใจว่าจะได้ไปนั่งต่อหน้าพระพักร์พธเจ้าองค์ต่อไปแล้วบรรลุธรรมนะหรือว่าบรรลุในช่วงนี้เลย มีความมั่นใจไงวางแผนชีวิตยังไงอ่ะเลือเลือแล้วแต่อะไรจะเกิดก็ช่างมันคขอยงงยังทตเนี้ยชัดเจนนี่ยังมีความหวันไหมวาดหรือเปล่า <g ül üyor> จะถามความในใจเนะ่ยวันไหมวันไหมว่าจะไม่ได้พ้นทุกมั่นใจมาพ้นทุกไหม อ้าวยอมแอลว่าไงมั่นใจมั้ยได้แน่นอนเลยจริงเลยจริงเลยโอ้มั่นใจว่าเพราะไม่เคยทำไม่ไรไม่ถูกใช่ไหมนี่เอาว่าไงเนี่ย เมีมั่นใจไหมว่าจะได้บรรลุยังไม่มั่นใจเพราะอะไรเพราะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะที่เคยเป็นญาติกับเปรตเหล่านั้นพอจะไหวาทานปุ๊บเนี่ยเปรตเหล่านั้นก็คิดว่าเดี๋ยวจะอุทิศทานให้กับเราแต่พระราชามัวคิดถึงเรื่องอื่นอยู่เพราะพระเจ้าประทับอยู่ไม่ได้ทรงอุทิศทานให้แก่ใครเปรตเหล่านั้นก็ผิดหวังเลยตรงนี้ พอตกกลางคืนเนี่ยพอมาถึงนี่นะเปรตเหล่านั้นก็นไปที่พระราชนิเวศส่งเสียงประหลาดน่าสะพืนกลัวร้องพระราชากระดุง้งพระราชาสะดุ้งกลัวรุ่งช้าพระราชาไปเฝ้าพระพเจ้าพระเจ้าก็ตรัสว่าอยากรู้ว่าไป ม, มีสิ่งเวลวร้ายหรอกก็เลยเล่าเรื่องเปรตให้ฟังต่อมาท่านก็ถวายให้ทานแล้วก็หลังน้ําทักซีโนโทกอุทิศว่าขอทานนี้จงสําเร็จแก่พวกญาติของเรา พวกเปรตเหล่านั้นก็พากันอนุโมทนาแล้วทันใดนั้นเองสะโบกครณีของเคี้ยวอาหารอันเป็นทิพย์ผ้าเป็นทิพยานที่เป็นทิพยปราสาทที่เป็นทิพยเป็นต้นบังเกิดแก่พวกเปรตพุทธจ้าก็ทิฏฐานให้พระราชาทอดพระเนตรเห็นการบริโภคของหมู่เปรตนั้นลองคิดดูที่เรื่องนี้เปรตตายได้ไม่ได้ที่พระราชาอุทิศส่วนกุศลปุ๊บผ้าอันเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นกับเปรตสะโบกครณีอันเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นใช่ไหม พอถวายหลายอย่างเนี่ยแต่ที่จริงถ้าเล่ารายละเอียดก็คือว่าถวายวิหารใช่ไหมวิมานเป็นพิษก็เกิดขึ้นกับเปรดนั้นพอถวายยานพานะยานภานะอันเป็นทิพก็เกิดขึ้นพอถวายสะสาบกกรณีอันเป็นทิพก็เกิดถวายอาหารอาหารเป็นทิพก็เกิดท่านมีเสื้อผ้าก็ถวายเภาจีวรผ้าเป็นทิพก็เกิดขึ้นกับเปรดนั้นเป็นต้นหลังเนี้ยถามว่าปริญญาก็อธิษฐาน ให้พระราชาเห็นการบริพกของหมู่สัตว์นั้นถามว่าเปรตนั้นที่ได้รับส่วนบุญกุศลนั้นน่ะเปรตนั้นยังอยู่ในภพของเปรตอยู่หรือตายจะเปรตไปเป็นเทวดาไม่ถามพวกเราว่าเนี่ยในเรื่องเนี้ยในนิธิการตสูตรเนี่ยในสูตรเนี่ย อันนี้เขาไม่ได้บอกเขาไว้นะนี่เขาเล่าย่อๆติโรกุตสูตรเข้าไปก็เลยถามว่าโมู่าติของพระเจ้าพิพิสารเนี่ยที่ได้สบอกกรณีที่เป็นทิพธอาหารที่เป็นทิพธเสื้อผ้าที่เป็นทิพธยานพาณที่เป็นทิพธที่อยู่อาศัยที่เป็นทิพธวิมานที่เป็นทิพธเป็นต้นเหล่านี้ที่ได้ ได้เปลี่ยนพบภูมิจากเปรตเป็นเทวดาหรือเป็นแค่เปรตอยู่หรือไม่รู้อ้าวไม่รู้เป็นอะไรมันจะมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือ การอุทิศส่วนกุศลเนี่ยตายจะเปรตเป็นเทวดาการอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเปรตนั่นแหละแล้วก็ได้ได้สมบัติที่เป็นทิพย์เกิดขึ้นเลยเป็นกลุ่มเวมานี้กับเปรตในในสูตรนี้ไม่ได้กล่าวถึงการตายา น, น, น, น, นะเพราะท่านจะใช้คำว่า คันถวายแล้วเนี่ยหลังทักซิโนโทดทกเสร็จแล้วเนี่ยนะทาบบกกรณีของเขี้ยวผ้ายางที่เป็นทิพ ป, ปราสาทที่เป็นทิพบังเกิดแก่พวกเปรตพระเจ้าก็ที่ฐานให้พระราชาทอดมเนเห็นการบริโภคของเปรตหมู่นั้นเห็น ไ, ไหมก็เห็นซึ่งกันและกันเลยอันนี้เห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นเปรตอยู่ก็ได้แต่ว่าเสือ้อแต่ก่อนเป็นเปรตไม่มีผ้านุ่งก็มีผ้านุ่ง เป็นเปรตไม่มีอาหารก็มีอาหารเป็นเปรตที่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ม okay ีเป็นเปรตที่ไม่มียานพาหนะก็มีเป็นเปรตที่ไม่มีสาะบกกรณีเล่นก็มีสาะบกกรณีเล่นแต่ยังเป็นเปรตอยู่แต่บางบางที่บางแห่งเนี่ยบางที่บางแห่งเนี่ยจะหมายถึงตายแล้วเกิดใหม่แต่นี่ยังไม่ได้กอกได้ตายต่อมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็เลยภาาถวาย ก็คือต่อมาก็ลืมเนี่ยนะก็คือว่าถวายปัจัจสี่แก่ป้าคริมานันทะเหมือนป้าน น, น เทวตาพรบพีบกพเพตพี ที่จะบอกก็คือคำว่าทํำบุญให้อุทิศให้กับปุบพเปตะพีเนี่ยหมายถึงทําบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วศัพท์นั้นเน่ย<โ>เปตะพีในที่นั้นหมายถึงเปลิดเลยก็ได้หมายถึงญาติก็ได้ไ<ร>ก็คือในพุทธศาสนาสัตว์ที่จะมานุโมทนาได้รับผลบุญเนี่ย ได้นะก็คือกลุ่มเปรตจำพวกดีในดีกาก็ไปขยายบอกว่ามีเปรตอยู่จำพวกเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรับส่วนบุญนี้ได้ไงพระทัตตุประชีวิตกเปรตแต่ในติโลกุตสูตรเนี่ยไม่ได้มีคําว่าเปรตจำพวกเดียวมีคําว่าเป็นต้นไม่ได้จํากัด แดีกามาขยายว่าจำพวกเดียวนั้นก็เพราะว่าเปรตบางกลุ่มเนี่ยมีความทรมานมากไม่สามารถที่จะว่างเว้นจากความทุกข์ที่จะมาโมทนาส่วนกุศลว่างั้ น, นก็เลยมีข้อถกเถียงกันว่าในอักขถาใ น, ในตัวเนื้อของพระไตรปิฎกอักขถาเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเปรตจำพวกเดียวธดีกาหลักสูตรคนที่เรียนพระวิธรรมเนี่ย ไปบอกว่าเปรตจำพวกเดียวเท่านั้นที่รับส่วนกุศลได้เวลาอธิบายตรงนี้ก็ต้องบอกว่านั่นมติของดีกาจารย์นะแต่ธรรมะติในพุทธพจน์มีสามจำพวกมีปรทัตตุเอกรัชิกาเปตเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็เปรตอีกจำพวกหนึ่งจําไม่ได้แล้วเป็นต้นแล้วมีคำว่าทีด้วยที่สามารถรับส่วนกุศลได้ไอ้ตรงนี้เออต้องต้อ ง, ต, องต้องไปทาําความเข้าใจให้ดี เด่๋ไปไปมาก็จะไปเข้าใจว่ามีเปรตจำพวกเดียวเนี่ยังั้นปุปพระเปรตพีทําบุญอุทิศให้กับกลุ่มเปรตแต่เนี้ยขับเน้นว่าเปรตเหล่านี้สามารถรับส่วนกุศลได้โดยตรงแต่ถ้าเป็นเทวดาสมมติเราทําบุญอุทิศให้กับเทวดาเนี่ยเอาเทวดาเขามีอาหารที่เป็นทิพย์มีอะไรเป็นทิพย์เป็ดเสร็จแล้วมันก็ไม่จาเป็นต้องไปเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนภบเขาใช่ไหมเพราะเขาได้อยู่แล้วเขามีอยู่แล้วแต่เขาสามารถโมทนากุศลเกิดในใจกับเขาได้ แต่กรณีที่เขาขาดแคลนอย่างกลุ่มเปรตเนี่ ย, ยเขาสามารถมาอนุโมทนาแล้วก็พ้นจากความทุกข์ยากความลำบากเป็นต้นเหล่านี้ได้ mm hmm. เช่นเขาเดินไปไหนก็ไม่มีร่มไม่มีรองเท้าไม่มียานพาหนะที่เป็นทริปแล้วก็เอาลมาลมารองเท้าถวายแล้วกุศลกุศลท่านอย่างนี้เป็นต้น mm hmm. ก็เลยเป็นประเพณีในการทําบุญอุทิศส่วนกุศลทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือพระเจ้าพิมพิสารเป็นพุทธมามะกะแล้ว ทรงลืมถวาย3วาระคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยปวารณาถวาย3สิ่งใน3วาระแต่ลืมเพราะการที่ปีภารกิจมากนี่แหละอันแรกก็คือลืมการถวายปัจจัย4แก่พระคลีมานนท์พระคลีมานนท์เนี่ย เ, เป็นบุตรของปุโรหิตของพระเจ้าพิมพิสาร ได้เห็นพุท ธ, ธานุภาพในครั้งที่พระเจ้าเสด็จกรุงราชคลือเนี่ยตอนที่เสด็จออกจากลัทธิวันเข้าไปในกรุงราชคลือเพื่อเสวยพระราชอาหารในพระราชนิเวศของพระราชาท้าสกะแปลงเป็นมานบขับกบนี่แหละก็เกิดศรัทธาออกบวชบำเพ็ญสมณธรรมอยู่สามวันแล้วก็ไปยังกรุงราชคลือเพื่อถวายบังคมพระศ า, าสดาเกิดศรัทธาแล้วก็จะ ข, ขอบวช เข้าถึงสารณคมและอยู่อาศัยนอกกรุงราชคลีแล้วคิดจะเข้าถวายบังคมแก่พระศาสดานั่นแหละในกรุงในเวรุวันแล้วก็พระเจ้าพิมิสารทราบข่าวก็เสด็จไปหาและภาวนาเนีว่าคุณเจ้าจงอยู่ที่นี่เถิดท่านจะอุปถาปัจจัยสี่ว่างั้นเถอะความที่ท่านเนี่ยเป็นลูกของปุโรหิตมีความคุ้นเคยกับพระราชานี่แหละ เมื่อทรงทราบว่าออกบวชแล้วก็ต้องการอุปถัมภ์ก็ตรัสนิมนต์ปวนาปจัยสี่ตอนที่พระราชาเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ท่านได้ถวายวิหารแล้วนะทีนี้ต่อมาเนี่ยท่านลืมนี่ในพระราชาในลืมนี่นี่ข้อแรกนะต่อว่าจะถวายพระราชาก็เลยที่ว่าจะสร้างกุฏิถวายให้นี่แหละไปๆมาๆก็ไม่ได้สร้างนี่พวกเทวดาเห็น เห็นว่าท่านพระครีมานอนอยู่กลางแจ้งห้ามฝนไม่ให้ตกกลัวว่าท่านจะเปียกพระราชาไข่ควรแล้วพราะเหตุที่ฝนไม่ตกก็เลยสร้างกุฏิถวายท่านอยู่ในกุฏิเสนาสะนะสปายะทําความเพียมสม่ําเสมอในส่วนยิ่งท่านก็บรรุนเป็นพระทหารเนี่ยนะนี่ต่อมาพระครีมานนไปอยู่ที่วัดเชตาวันป่วยเพราะป่วยแล้วเนี่ยเกิดอาพาธหนักพกระนนก็กราบทูลพระเจ้า จำได้ใช่ไหมในคิริมานนาสูตรที่พระเจ้าไปตรัสในเรื่องของสัญญาสิบที่เขามาักพิมพ์ขายกันอพิมพ์แจกกันเยอะๆในพระสูตรเนี่ ย, เ, ยเรื่องการเจ็บป่วยของพระคิริมานนพูดถึงอนิจต์อนิจจะสัญญาทุกขสัญญาหน้าตัสัญญาสุภาษสัญญาเป็นตัวเหล่านี้ให้สัญญาด้วยความเห็นกับความเป็นของม่ที่ยงเป็นทุกเป็นต้นพระคิริมาโ น, นได้ฟังแล้วเนี่ยหายจากอาพาธ พระสูตรนี้ก็เลยนิยมพิมพ์แจกกันเอามาท่องเวลาเจ็บป่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาให้เอามาท่องใคร่ครวนพิจารณาให้เกิดวิปัสนาญาณเห็นความจริงของสังขารแล้วเกิดปิติปราโมทปัสสิสุขเกิดสมาธิจะได้ขับอาพาธในกายออกได้ถแล้วเสดกันแทบตายก็ไม่ไม่หายเพราะไม่รู้ความหมายและไม่รู้ความเป็นมาในพระสูตรนี้เนี่ยต้นเข้ามาอย่างนี้แหละพระคิริมาโนนนี่แหละ ท่านเป็นลูกของปุโรหิตของพระเจ้าพิมพิสารนี่ลืมครั้งแรกการที่สองลืมสร้างหลังคากุฏิให้พระคือพ ร, พระพุทธเจ้านิวัตกบิลพัฒนนี่แหละเกิดปาฏิหาริย์พวกเจ้าสักยะก็ถือตัวนี่พระเจ้าสุโธธนะเป็นประมุคขครั้งนั้นโอรสของมัลลาสี่องค์ก็คือพระโคคิกาสุภาหุวรลยยาและอุตริติยเนี่ย เป็นสหายรักกันก็ชักชวนกันมาทําธุรกิจบางอย่างเห็นปฏิหารเหล่านั้นเกิดเลื่อมใสบวชแล้วก็เจริญวิปัสนาญาณก็ได้บรรลุในเวลาไม่นานเนี่ยพระเถระทั้ง4ค่ั้นบรรลุแล้วก็ปรากฏชื่อด่งดังในธรมาติภพากันสึกกาลเคารพต่อมาพวกท่านก็เดินทางไปกรุงราชคลื่เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารทราบข่าวเหมือนกันว่าพระาสี่รูปมาเนี่ยก็นิมนต์ให้อยู่จําภาษาไตรามาสแล้วจะได้สร้างกุฏิถวายพวกท่านแต่ ไม่ได้สั่งให้มุงหลังคาลืมอีกโอ้ไม่ชอบพิมพาษานี่ลืมหลายเรื่องเลยเนี่ยลืมท่านต้องอยู่กุฏิที่มีมีหลังคาฝนตกเมื่อถึงฤดูฝนฝนก็ไม่ตกอีกพระราชาก็ไข้ควรเหตุที่ฝนไม่ตกก็ระลึกได้โอ้ให้รีบไปมุงหลังคาตกแต่ง่ึงสวยงามแล้วก็ฉลองกุฏิถวายแกพภิกษุสงฆ์เนี่ย น, นี่นี่เป็นการลืมครั้งที่สอง ในขณะที่นิวัตนครกบิลภัทในการสร้างเชตวันวิหารยังไม่เสร็จและยังไม่ได้เสด็จไปรับประทับ พ, พระสี่รูปนี้จำพรรษาในเขตกรุงราชคลึค้งทีนี้นิมนต์พอแล้วนาาได้ปัจจัย4ี่เป็นปีเดียวกับที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาสาเดือนในเวรุวันนี่แหละเสนาสนะในเวลานก็ยังไม่เพียงพอเนี่ยตรงนี้นะนีการสร้างตรงนี้ ให้สังเกตดูตรงนี้ก็คือว่ามีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระปิรินทวชะอธิษฐานใช้ฤทธิ์ไค้เคยฟังเรื่องนี้ไหมเนี่ยจะไม่ทันนในเรื่องนี้เดี๋ยวเลยไปก่อนดีกว่าเรื่องนี้จะยาวนิดหนึ่งพูดถึงในเรื่องของพระเทวทัตก่อนดีกว่าอาจจะเล่าไม่จะจบแต่จะเล่ารายละเอียดตรงนี้เขาไว้ว่าเรื่องของต่อมาเนี่ยคือพูดถึงในเรื่องของพระเทวทัตกับพระเจ้าชาติศัตรู พอต่อมาพระเจ้าพิพิสารก็มีลูกพระเจ้าชาติสตูเนี่ยเป็นกษัตริย์แว้นมคตใช่ไหมต่อมาจากพอพเป็นพอตอนนั้นเป็นราชกุมารอยู่ก็สมคบกันกับพระเจ้าชาตพระเจ้าพระเทวทัตนตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าเนี่ยเยอะมากเลยในช่วงนี้เห็นอะไรเห็นความที่ การวางแผนในการปองพชนพระเจ้าถ้าเห็นพุทธคุณอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าพุทธานางชีวิตตสานนาสกาเกนฑเจียนตราโยกาตุงกรามีวัตุนคือใครๆไม่อาจที่จะทําร้ายหรือปองร้ายพทธเจ้าได้พระเจ้าจะไม่ปรินิพานด้วยความเพียนของบุคคลอื่นอันนี้เป็นพุทเคุณเลยนะพุทธคุณเนี่ยอันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงข้อที่เราทั้งหลายต้องต้องระลึกให้ดีเราจะเห็นว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ย ไปครบกับพระเทวทัตแล้วต่อมาพระเทวทัตก็เกิดเชื่อเออไม่ใช่พระเจ้าชาติตูก็เชื่อพระเทวทัตแล้วต่อมาก็บอกว่าท่านอยากจะปกครองสงส่วนว่าให้าชาติศัตรูนี่ปกครองประเทศต่างป่ายต่างก็สมคบคิดกันอย่างนี้แล้วก็เริ่มวางแผนแล้วก็พระเทวทัตก็ให้าชาติศัตูไปฆ่าพอ่อก็วางแผนทั้งหลายครั้ง ตอนนั้นถ้ามองให้มองให้ชัดเนี่ยตอนนั้นแน้นมาคตเนี่ยเป็นเป็นเมืองของอริยชนนี่ยังท่านกล่าวบอกว่าในบริเวณมีประชากรเนี่ยในมาคตเนี่ยในเมืองเก้าโกรดนอกเมืองอีกเก้าโกรด8โกรดเท่าไหร่ ร้อดสิบล้านคนในร้อยแปดสิบล้านเนี่ยประมาณ 80% ดเป็นตผ้าเหลียน า, าตกใจไหมนี่การอุบัติเกิดขึ้นของพระเจ้าเนี่ยขนาดนี้เลยนะร้อยแปดสิบล้านถ้าแปดเปอร์ซประมาณเท่าไหร่ก็ร้อยหสิบล้านคนใช่ไหมประมาณร้0ยหกสบล้านเนี่ย เป็นภาะริยาอีกยี่สิบล้านเป็นปุถุชนที่ไม่มีพวกเราเคยแปลกใจไหมเข้ามาโลกกันขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยั้นการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากจะห้าโมงแล้วไม่ทันบรรยายไม่ทันเลยถ้ามีใครจะถามอะไรไหม มีใครจะถามเลยเดี๋ยวหยุดกันสักพักหนึ่งแล้วจะได้สวดมนต์กันเนาะเราจะสวดมนต์กันห้าโมงครึเดี๋ยวถ้าบรรยายไปอีกสาสินาทีเดี๋ยวพวกเราจะเหนื่อยถ้า ง, งั้นเดี๋ยวพักกันสามสิบนาทีแล้ได้เตรียมตัวใครจะไปส่ง น, น้ำอาบน้ำก่อนก็นได้แล้เดี๋ยวมาสวดมนต์ผัดเย็นกันถ้ามันเย็นมากเกินไปเ ด, เดี๋ยวยุงเยอะอากาศก็จะเย็นอไปพักกันก่อน